ไม่มีข้าวไม่มีของอันนี้ทุก์อีกแบบหนึง่งและบางคนผู้มีปัญญาลึกกว่านั้นกว่าทุกข์ถือว่ า, ามีความโกรธความโลภความหลงอันนี้ก็เป็นทุกข์อีกอย่างหนึ่งทุกบางคนมีความสงสัยนอกเหนือไปจากความโกรธความโลภความหลงแล้วก็ยังมีความสงสัยอันนี้ก็เป็นทุกข์อีกแบบหนึง่งทุกอีกแบบมันทุกข์เพราะการไม่เห็นการไม่รู้การไม่เข้าใจอันนี้ก็เป็นทุกข์อีกแบบหนึ่ง ยังนั้นคนเราจึงพยายามศึกษาให้รู้จักจริงจที่ผมเคยเป็นทุกมาหลายเรื่องแต่ผมคิดว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ได้เฉพาะตัวผมเองผมพยานยาทำมันที่ผมทำมาผมเข้าใจเพราะการรู้จักไม่ใช่แต่นัง่งนิ่งให้มันตัวสงบหลับตาอยู่คนเดียวอันนั้นผมทำมา มันมีความสงสัยมันมีความนึกความคิดอะไรผมไม่รู้อันนี้เื่อผมอยังมีความสงสัยต่อเมื่อผมไม่ต้องหลับตาบับ น, นี้อันใดมาผมเห็นด้วยตาเนื้อและความคิดผมคิดขึ้นมาผมรู้ผมเข้าใจผมเห็นความคิดของผมผมก็เลยเข้าใจว่านี่ที่ทางที่จะนำไปหาพระพุทธเจ้า ผมเลยเข้าใจอย่างนี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าคือตัวเจ้าชายสิทธัตถะกุมานั้นอันนั้นเป็นเพียงรูปภาพเมื่อเป็นรูปเป็นวัตถุผมเข้าใจอย่างนี้อันพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นน่ะอยู่ที่ไหนอันพระพุทธเจ้าจริงๆนะั้คือคนที่ไม่มีทุกข์นั่นแหละบุคคลใดไม่มีทุกข์อันนั้นแหละคือพระพุทธเจ้าบุคคลใดยังมีทุกข์อันนั้นสื่อว่ายัางไม่ได้เป็น พระพุทธเจ้าหรื อ, อยังไม่ได้นำแต่หาพระพุทธเจ้าผมเข้าใจอย่างนี้นั่นนะคาว่าไม่มีทุกนั้นไม่มีทุกเพราะการไม่รู้อันนั้นกับไม่ใช่ว่าจะไม่มีทุกคือมันยังมีทุกอยู่แต่ความทุกนั้นมันมันไม่เหมือนกันบางคนให้ไปตามอารมณ์ตัวเองไม่มีทุกอันนั้นก็ดีเหมือนกันดีเพราะบุคคลอุศ น, นั้นแต่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้น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 ไม่มีเข้าไม่มีของนะั่นเป็นคนเกียจค้านเป็นคนไม่เอาไหนคนแบบนั้นก็เสือไม่มีทุกข์เ พ, เพราะเขาไม่เห็นทุกอย่างนั้นในอันนี้บุคคลที่โกรธเขาก็เข้าใจว่าความโกรธนั่นแนะ่ะเป็นคนามสุขเขาก็เข้าใจแบบนั้นเขาจึงโกรธขึ้นมาได้บางคนน้องเพงหรือดูหนังอันนั้นบุคคลผู้เทีนนั้นเขาก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นทุกข์ เขาจึงทำอย่างนั้นบางคนมีความสงสัยอันนั้นอันนี้กับเขาก็คิดอยู่อย่างนั้นแหละกับพวกเขาเข้าใจอย่างนั้นว่ามันไม่ติดทุกข์ผมเลยเข้าใจความสงสัยเนี่ยมันป็นทุกข์ๆๆผมเข้าใจอย่างนั้นผมจึงทำให้มันเป็นว่าไม่ให้มีความสงสัยทันควรไม่สงสัยนี่มันไม่ใช่เป็นความสงบมันไม่ใช่เป็นความสงบที่แตน่นั่งอยู่คนเดียวอันนั้น คือมันเป็นการเห็นแจ้งมันเป็นการรู้จริงมันเป็นการเข้าใจได้จริงจริงอันความสงบแบบนี้แต่ว่าความสงบก็ได้หรือจะว่าความเห็นแจ้งก็ได้หรือจะว่าความออกจากที่มืดแล้วก็ได้หรือจะว่าเราเราไม่มีความคล้องแว้อันในทั้งหมดแม้ตำหนักตำราพูดอย่างนั้นเราก็เข้าใจเราไม่ต้องไปคล้องติดอยู่กับตัวตำหรักตาราที่เป็นวัตถุอันนั้นอันนี้ก็คือว่า ความสงบแบบนี้ที่ผมนําไปเล่าหรือที่ไหนก็ตามผมชอบพูดอย่างนี้เพราะคนมันมีอย่างนี้ผมเขาอย่างนี้ดนั้นความสงบที่ผมพูดนี้มันจริงไม่เป็นนั่งสงบคือมันสงบเพราะความออกจากความหลงผิดมันสงบเพราะมันออกจากที่มืดได้มันสงบเพราะมันไม่มีความสงสัยมันสงบไปแบบนี้แต่มันอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้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 เราจะนอนก็าตามจะไปยังไงก็าตามมันต้องรู้แจ้ง mm. เห็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ไปเห็นด้วยตาเนื้ออันนี้แต่ตาเนื้อเขามองเห็นซึ่งคนเดินไปเดินมาที่มองเห็นด้วยตาเนื้อหูได้ยินคนพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราฟังได้ยินด้วยหูอันนี้เป็นวัตถุแต่ที่ผมรู้ผมเห็นผมเข้าใจภายในจิตใจของผมคือจิตใจผมมันนึกขึ้นมามันคิดขึ้นมาผมเห็นผมรู้ผมคิดต่อจินี้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 จิตใจนั้นนะ่ะตัวนึกตัวคิดนั้นนะอยู่ด้วยอารมณ์ที่ไม่สุขปกปกนี่ว่าใจิตใจพ้นไปจากที่สุขปกกมันไม่มีอันใดมาข่องแวะมันเข้าใจอย่างนี้ครับบันนี้คือร่างกายของเรานะี่ยมันต้องอาศัยการนั่งการนอนการอยู่การกินเสื้อผ้าต้องอาศัยการมานุง่งมาปกมาปิดและอาหารการสันต้องเล่าเลี้ยงร่างกายผมเข้าใจอย่างนี้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 ในระยะที่มันปรากฏนั้นมันป่าเปิมครับมันเป็นปีติก็ว่าได้หรือว่ามันไม่เป็นปีติก็ว่าได้ครับจะพูดยังไงมันก็ถูกทั้งหมดเลยครับเพราะว่ามันเบาทั้งหมดเลยมันเบากายเบาใจเบาชีวิตเบาไปทั้งหมดเลยครับคือมันไม่มีอันใดมาติดพันุมาติดมาพันมันไม่มีอันไดมาเกาะมาคล้องมันครับ คือมันยืดทั้งหมดเลยครับคือมันเรียกว่ามันไม่มีอัะไรตัวชีวิตของเราจริงๆนะครับตัวจิตใจของเราจริงๆน่ะมันเป็นอย่างนั้นครับอันนั้นแหละคือความสะอาดอันที่เราพูดกันว่าจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบนะครับจิตใจหรือชีวิตเน่ยมันสะอาดอยู่แล้วครับคำว่าสว่างนี่ก็หมายถึงตัวอินทรีย์หรือตัวส ต, ติหรือตัวปัญญาหรือ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 เขียนหนังสือเป็นก็ตามเขียนหนังสือไม่เป็นก็ตามคนจนก็ตามคนรวยก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขอาาให้แต่ว่าวเป็นคนนี่ก็แล้วกันครับมาปฏิบัติได้ข้าพูดแล้วรู้เรื่องกันผมเข้าใจอย่างนั้นครับจึงว่าผมว่าศาสนาพุทธหรือคําสอนของพระพุทเจ้านี่มันไม่เหมือนกับที่เราเรียนมานั้นมันไม่เหมือนกับที่เราปฏิบัติมานั้นมันไม่เหมือนจริงๆครับแล้วมันก็เหมือนจริงๆแบบนี้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 คันท่าพูดตามตัวหนังสือเขาว่ายานปัญญาก็ได้เลือกปัญญาญาณก็ได้หรือว่าวิปัสสนาก็ได้เนี่ยเอาแล้วแต่สมมุติพูดขึ้นมาก็ได้ครับนี่จะว่าไม่มีตัวไม่มีตนก็ได้เนี่ยมันพูดไปอย่างนั้นครับมันนี้จะพูดว่ามีตัวมีตนก็ได้ก็กูรู้เนี่ยผมรู้เนี่ยสันรู้เนี่ยจะพูดว่ามีตัวมีตัวอย่างนี้ก็ได้ครับมันสมมุติครับแต่ขอให้เราทุกคนปฏิบัติให้จริงจังแล้วผมเข้าใจว่าแน่นอนที่สุดครับ ชีวิตของคนนี่มันไม่มีทุกข์ครับท่านจึว่าอุเตขาอุเตฆาอันอุเตฆาเนี่เราก็หาว่า ว, า, วางเสย ต, ต้องวางเสยที่อันตัวธรรมชาติตัวชีวิตของเราจริงๆนะครับมันเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปพูดว่าวางเสยก็ได้ไม่อจะพูดว่าวางเสยก็ได้อันนั้นแหละคือว่าชีวิตแท้ครับคนเกิดมาแล้วก็ได้รับรสอันนั้นแท้คือไม่เสียที ไม่ขาดทุนศูนย์เปล่าที่มาเกิดเป็นผลครับถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจอย่างนั้นมันก็เลยไม่พบกับของสิ่งนั้นเราก็เลยไม่รู้กับของสิ่งนั้นเราก็เลยไม่ได้รู้ลดซ่าสิ่งนั้นอันนี้แหละลดซ่าสิ่งที่มีเงินร้อยล้านถันล้านไปซื้อก็ไม่ได้แม้จะเป็นนังหลักตาอยู่นั้นถ้าหากว่าเราไม่ปรากฏมันก็รดซ่าอันนั้นก็ยังไม่มีบัดนี้คนไม่มีเงินแม้สตางค์เดียวก็ตาม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 มันก็เลยคาดทุนศูนเปล่าอันนี้บุคคลที่ไม่ต้องนั่งก็ได้ไปไหนก็ได้แต่บุคคลผู้เสียนั้นได้รับรสชาติอันนี้ก็ถือว่าคนนั้นแหละมีกําไรชีวิตมีกําไรจิตใจจริงๆครับอันนี้ครับเนีย่ยว่ า, าพระพุทธเจ้านั้นไม่มีทุกข์คําว่าพระนั้นอะแปลว่าคนไม่มีทุกข์เท่านั้นเองครับคนใดยังมีทุกข์อยู่อันนั้นยังไม่ได้เป็นพระแท้ครับแต่เปลี่ยนชื่อเพระอสมมุต คือสมมุติมันจึงมีมากครับอันสมมุติพูดเนี่ยผมก็เลยไม่มีอันไรจะมาพูดเรื่องสมมตินี่ให้ฟังครับแต่เราไม่ไปสนใจนะครับเราต้องปฏิบัติทําความรู้สึกครับมันเป็นวิธีง่ายๆลัดๆครับเราไปไหนมาไหนทําความเข้าใจหรือให้มีสติกําหนดรู้การเคลื่อนไหวรูปกายเหล่านี้หรือร่างกายเหล่านี้ครับมันทิปตากะระลุมันหายใจกะระลุมันคิดกะระลุเนี่ย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 ไม่รู้การเคลื่อนไหวของมันก็ไม่มีประโยชน์ครับแต่บุคคลไม่เคยรักษาศีลก็ตามครับแต่มันกำหนดรู้การเคลื่อนไหวอะไรก็ตามทิศตามันก็รู้หายใจมันก็รู้มันคิดมันก็รู้มันก็มีประโยชน์ครับดังนั้นความจริงแล้วมันมีอยู่ที่เราครับอัความสงบนั้นมันมีอยู่ที่เราเราต้องสงบแล้วจึงจะไปสอนผู้อื่นให้มีความสงบได้ครับ ไม่ใช่ไปเดาเดาเอานะครับไม่ใช่ไปนึกไปคิดเผมเึ่งกล้ารับรองเอาชีวิตนี้่เป็นเดิมพันครับอันนี้มันก็เลยคล้ายๆ ค, ค, คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยสอนเอาไว้เสียสลากเงินเสียสลาทองนั่นน่ะคือเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยนียต้องเสียสละกรับเพราะรักษาอาวัยยาวะเป็นว่าคือเราต้องการอยากให้อายยาวะเรานี่สมบูรณ์ครับเป็นว่าเสียสลาทรับเพราะรักษาอาวัยยาวะ บัดนี้ยอมเสียสละอวัยะวะคือร่างกายเราส่วนใดส่วนหนึ่งมันเป็นบาดเป็นแผลเราก็ต้องตัดทิ้งเพราะเราไม่อยากตายครับอ่ะมันเป็นอวัาวะเสียสละอวัยะวะเพื่อรักษาชีวิตบัดนี้ยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษาความจริงความสงบอันนั้นแม้คนอื่นหาว่าเราพูดผิดเขาจะเอาเราไปฆ่าก็ได้ครับหรือจะมาเสียสละชีวิตเพื่อรักษาศีจธรรมก็ได้เพราะมันมีอย่างนั้นครับ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 มันสามารถที่จะเอาไปคิดได้ครับเรื่องปัญญาของคนมันไม่เหมือนกันครับมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นคําว่าการตัดสู้หรือรู้ธรรมะอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั้นจืิงว่าไม่จํากัดวันเวลาครับจะเป็นเวลาเสาร์ก็ได้จะเป็นเวลากลางวันก็ได้หรือจะเป็นเวลากลางคืนก็ได้หรือจะเป็นเป็นเวลาเย็นก็ได้ไม่กําหนดกฎเกณฑ์เลยครับเรื่องนี้ไม่กําหนดจริงๆครับ ผมรับรองได้แต่ขอให้เรามีสติอย่างสมบูรณ์ดูให้มันทันเมื่อเราเห็นเรารู้เราเข้าใจดูมันทันมันเป็นเองครับเมื่อมันสมบูรณ์แล้วมันเป็นเองผมเลยเข้าใจที่ผมเคยเป็ น, นเนรผมอ่านหนังสือครับว่าในตักบาเนี่ยได้อานิสงส์หกกับในจังหันเมื่อเส้าเนรได้อนิสงส์ห้ากับ ไปเพนบ้านผมเรียกว่าไปเพนครับไปส่งอาหารภาคกลางวันได้อเนสงเสริกลับกับนึงผมก็ไม่รู้สมัยนั้นผมไม่รู้จริงๆมีเจ้าครูบาอาจารย์ว่า้ฟังและตัวหนังสือมันว่าอย่างนั้นความจริงแล้วเนี่ยครับอันมีสติสมบูรณี่นะครับมันเป็นเต็มกับครับมันเต็มกลับคือพริกไหวพริกตาหายใจมันนึกมันคิดมันรู้เท่ารู้ทันรู้จักอันรู้จักแก้มันสมบูรณ์ครับอันนี้เดี๋ยวมันเต็มครับ เมื่อมันเต็มมันสมบูรณ์นะสี่มันก็เลยปรากฏขึ้นมาเหมือนกับเม็ดข้าวเนี่ยเม็ดข้าวเปลือกนี่ยครับเป็นข้าวเจ้าก็ตามข้าวเหนียวก็ตามเอาไปเพาะลงในดินเนี่ยครับเมื่อมันสมบูรณ์เลยมันงอกขึ้นมาคนเดียวมันไม่ต้องมีเรื่องอะไรครับอันนี้แหละที่ว่าผมมันไม่ใช่ว่าจะไปจําเอากับคําพูดคนนั้นไปจําเอากับคําพูดคนนี้ผมไม่จำจริงจริงเดี๋ยวนี้ครับแค่ก้อนให้ผมจําครับ อยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจอยากพูดเป็นความจริงแล้วการพูดอย่างนี้มันไม่ต้องไปหาเอาคำพูดของใครเอาคำพูดของตัวเองเราต้องรับรองคำพูดตัวเองได้มันต้องเข้าใจอย่างนั้นครับอันนี้ผมพูดความจริงอันนี้ผิดที่ของผมครับหรือจะหาว่ามันผิดแล้วก็แล้วไปจะหาว่ามันพูดแล้วก็แล้วไปผมไม่ต้องสงสัยใครจะพูดว่าผิดก็ได้ใครจะพูดว่าถูกก็ได้เพราะว่าผมเข้าใจอย่างนี้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 ผมไม่ได้เป็นมิจฉาทิฏฐิกับคนนั้นแน่ผมไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิกับคนนั้นผมเป็นรรมิจฉาทิฏฐิเพรผมเองผมเป็นสัมมาทิฏฐิเพรผมเองเพราะผมรู้อย่างนี้เมื่อคนนั้นพูดว่าท่านเป็นรรมิจฉาทิฏฐิผมก็ยอมรับว่าผมเป็นรรมิจฉาทิฏฐ <bull ying S 1> ิคนนั้นมาพูดว่าท่านเป็นสั <Bing? S 1> มมาทิฏฐิแล้วผมก็ยอมรับว่าผมเป็นรรสัมมาทิฏฐิเท่านั้นเองคือไม่ยอมรับเอาคําผิดจากที่เราเห็นแจ้งรู้จริงนี่แหละออกไปได้อันนี้เรียกว่าเราเห็นแจ้งเรารู้จริงเราเข้าใจ